กลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อในป่ากับพระครูเจริญพากันเดินทางไปยังดงพญาเย็นภิกษุรัตตัญยูบอกท่านพระครูว่าที่ต้องไปยังป่าแห่งนั้นก็เพื่อจะให้ผู้เป็นสิทธิ์ได้ฝึกฝนตนจนชินกับความยากลำบากและฝึกการอยู่อย่างไม่ขาดสติเนื่องจากดงพญาเย็น เต็มไปด้วยภัยอันตรายนานับประการหากขาดสติเมื่อใดเมื่อนั้นอาจได้รับพยันตรอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อย่าลืมนะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ขาถาย่นระยะทางหลวงพ่อดำกำชับขณะเดินนำหน้าสิย์ไปในความมืดสลัวถ้าจำเป็นก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ แล้วผมจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จำเป็นเมื่อไหร่ไม่จำเป็นลูกศิษย์พยายามจะยั่วเอาไว้ให้อยู่ในดุลพินิจของเธอก็แล้วกันถ้าเธอเห็นว่าจำเป็นก็ใช้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้อาจารย์ตอบเสียงเรียบไม่สนใจในคํายั่วยาของศิษย์ แล้วผมต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบก่อนหรือเปล่าครับจะได้ไม่พลัดกันคราวนี้ท่านพระครูอยากรู้จริงๆไม่ต้องเรารับรองว่าจะไม่พลัดกับเธอไม่ว่าเธอจะใช้คาถาหรือไม่ใช้ก็ตามอ๋อมีอีกอย่างที่เราจะบอกแต่ก่อนอื่นตอบเรามาก่อนว่าสมเด็จโต ท่านบอกอะไรไว้ตอนที่เธอพบท่านที่ประเทศสีลังกาหลวงพ่อทราบด้วยหรือครับว่าผมได้พบกับท่านทำไมเราจะไม่รู้ล่ะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้คนที่จะมาเป็นศิษย์เราเราจะต้องรู้จักเขาดีรู้ทั้งอดีตชาติ และปัจจุบันชาติของเขาฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเธอแล้วเราไม่รู้ถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็รู้ว่าสมเด็จโตท่านบอกอะไรผมไว้ในเมื่อหลวงพ่อรู้แล้วทำไมจึงมาถามผมล่ะครับที่ถามเพราะต้องการทบทวนความจำให้เธอนั่นต่างหากอย่ามัวพิวรีผิวไรตอบมาเสียดีดว่า ท่านบอกอะไรท่านบอกหลายเรื่องครับลุงพ่ออยากทราบเรื่องไหนผมจะได้ตอบให้ตรงจุดไม่เช่นนั้นลงพ่อก็จะหาว่าผมพูดอ้อมค้อมท่านบอกเธอใช่ไหมว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรานี่แหละที่เราต้องการให้เธอจำและนำไปใช้หนยามขับขัน หมายความว่าเมื่อถึงคราวคับขันสมเด็จโตท่านจะมาช่วยผมถ้าผมคิดถึงท่านอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วหลวงพ่อจะไม่ช่วยผมหรือครับในเมื่อหลวงพ่อกับผมเดินทางไปด้วยกันหรือว่าหลวงพ่อคิดจะทอดทิ้งผมผมยังไม่แกร่งกล้าพอที่จะเดินในป่าดงพญาเยน็นแต่เพียงผู้เดียวนะครับหากถูกทอดทิ้ง ผมคงมอดมวยมรณาที่ว่าวายแวบเป็นปลาแปบปิ้งอย่างแน่นอนท่านใช้สำนวนที่ใช้มาจนชินย่อเพิ่งตีตนไปก่อนไข่เลยเราไม่ทอดทิ้งสิทธ์หรอกนะเพียงแต่จะสอนให้เธอรู้วิธีและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีเท่านั้นเอง ที่สมเด็จโตท่านพูดว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเรามีความหมายลึกซง้งมากขอให้เธอจำไว้ว่าครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ทิ้งสิทธิ์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าเธอโชคดีที่มีโอกาสได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระอริยเจ้าหลายองค์ ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จโตหรือหลวงพ่อสดหรือหลวงพ่อเดิมพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ต่อให้ว่าหรือหลวงพ่อดำเอาเถอะจะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ขอให้เธอคิดถึงท่านแล้วท่านจะช่วยเธอได้ส่วนจะคิดถึงองค์ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เมื่อถึงเวลาเธอจะรู้เองว่าควรจะคิดถึงหลวงพ่อองค์ไหนภิกษุรตัตนยูพูดเป็นปริศนาผมเห็นจะต้องคิดถึงหลวงพ่อดำก่อนองค์อื่นๆแน่นอนอย่าพึ่งพูดในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอนที่แท้ ก็คือความไม่แน่นอนเอาละ่ะเราขอไว้เท่านี้แหละสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินป่าคือต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าอยู่ยังขาดสติแม้นาทีเดียวแล้วคืนนี้ผมจะได้นอนไหมครับเธอยังห่วงเรื่องนอนอีกหรือ ต่ว่าห่วงก็ไม่ใช่จะว่าไม่ห่วงก็ไม่เชิงครับผมเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวก็ต้องห่วงสังขารเป็นธรรมดาเพราะผมยังต้องใช้เขาแล้วเขาก็ไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องกลอะไรแม้เครื่องจักรเครื่องกลก็ยังต้องพักเครื่องบ้างที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าผมเป็นคนงกนอนนะครับ โยมยายไม่สอนอย่างนั้นจะว่าไปแล้วที่ผมได้ดิบได้ดีมาจนทุกวันนี้ก็เพราะโยมยายสอนไวด้ดีท่านยกความดีให้โยมยายสุดที่รักตัวเธอก็รักดีด้วยนั่นแหละถ้าเธอไม่รักดีแล้วถึงคนอื่นจะสั่งจะสอนอย่างไรก็เอาดีไม่ได้ ตามคำสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนานั้นแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนกรรมดีกรรมชั่วตัวเองทำให้ตัวเองเวลาเธอสวดมนต์ทำวัดเย็นเธอต้องพิจารณาใช่ไหมที่เรียกว่าอภินบปจเวกนะไหนลองบอกมาสิว่า อภินหปัจจเวกข้อที่หมีอะไรบ้างกรรมสโกมหิเรามีกรรมเป็นของของตนกตรรมทายาโทเราจะต้องรับผลของกรรมกรรมโย น, มำ น, ำมมนิเรามีกรรมนำมาเกิดกรรมพันเรามีกรรมเป็นเผ่าพัน์พวกพ้อง กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงังกรรมมังการิสามิเรากระทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปา ก, กังวาเป็นบุญหรือเป็นบาปตัดสะทายาโทพวิสามิเราจะต้องรับผลของกรรมนั้น ภิกษุวัย45่าว่าอย่างคล่องปากนี่และคือสิ่งที่บรรพทิตและครือหัดพึงพิจรนารณาเนืองเนืองโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายที่ว่ายังกัมมังกริษามิกลยานังวาปาปกังวาตัดสะทายโทภวิษามิตรงนี้แหละ ที่จะย้ำเตือนเราว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเราทำให้ตัวเองไม่มีใครมาทำให้เราเมื่อเราเป็นผู้ทำเราก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นด้วยตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลชั่วพระพุทธเจา้าทรงมีพระปัญญาลึกซึ้งมาก ทรงมองเห็นอย่างทะลุปปโปรงถึงเหตุปัจจัยในธรรมชาติสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติทั้งสิ้นไม่ได้เอามาจากฟากฟ้าป่าหิมพาน์ที่ไหนธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองน่าเสียดาย ที่ผมเกิดห่างจากพระพุทธองค์ตั้ง2500กว่าปีหากเกิดใกล้เคียงกับพระองค์ก็คงเข้าใจหลักธรรมคําสอนได้ลึกซึ้งกว่านี้หลวงพ่อละครับห่างจากพระพุทธองค์กี่ปีท่านพระครูพยายามที่จะพิสูจน์ให้รู้แน่ว่าภิกษุรัตัญยูองค์นี้จะใช่พระอุตระหรือไม่หากท่านตอบว่าสองปี ก็แสดงว่าใช่จะ ก, กี่ปีไม่สำคัญสําคัญที่ความสนใจต่างหากคนที่เขาไม่สนใจต่อให้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์เขาก็ไม่ยอมรับนับถือไม่เลื่อมใสศรัทธาเช่นพวกเจ้าลัทธิต่างๆที่เรียกว่าติทธกรนั่นแหละติทธกรแปลว่าเจ้าลัทธิหรือครับ สิดถามด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถูกแล้วอาจารย์ตอบโดยไม่หันมามองผมเคยได้ยินชื่อเจ้าลทัทธิหกคนที่ใครๆเขาพากันเรียกว่าครูทั้งหคนเหล่านี้เป็นเจ้าลัทธิร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธองค์ เพราะเป็นพูดดิ่งในความคิดของตนพวกเขาจึงต้องพลาดโอกาสอันดีไปอย่างน่าเสียดายแบบนี้ต้องเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมครับ mm. ก็คงอย่างนั้นว่าแต่ว่าเธอรู้หรือไม่ว่าครูทั้งหกมีใครบ้างในพระไตรปิฎกก็บอกไว้เธอเคยอ่านหรือเปล่า mm. เคยครับ แต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่เล่มที่เท่าไรจำได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงระบุนามคณาจารย์ทั้งหกคนและทรงแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีความเห็นผิดอย่างไรบ้างถ้าผมจำไม่ผิดติธกรหรือครูทั้งหกได้แก่หนึ่งปูรณกัตสปะสองมัคคิโคสาระ 3. อาชิตะเกสะกัมพล 4. ปกุท ธ, ธกัดจายณนะ 5. สัญชัยเวรัตบุตรและ 6. นิครนธนาตบุตรผมตอบถูกหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนี่นะแล้วเธอรู้ไหมว่าในบรรดาครูทั้ง6ที่กล่าวนามมานี้ใคร มีบทบาทเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์มากที่สุดนิครท น, นาตะบุตรใช่หรือเปล่าครับ mm. เธอมีเหตุผลอันใดจึงกล่าวเช่นนั้น mm. เหตุผลก็คือนิครณธนาตะบุตรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามหาวีระนั้นเป็นศาสดา ข, ของศาสนาเชน คอยแขงดีแขงเด่นกับพระพุทธองค์มาโดยตลอดเคยส่งนางจินจมารวิกามาใช้แผนทำลายพระพุทธศาสนาบังเอิญไม่สำเร็จไม่ฉะนั้นชาวโลกคงไม่รู้จักศาสนาของพระสมณะโคดมบาปกรรมที่นางกระทำยังผลให้นางถูกธรณีสูกในวันนั้นทีเดียว วันที่นางคิดว่าชนะแล้วหลังจากที่ใช้เวลาถึง9ก้าเดือนสร้างสถานการณ์เพื่อหลอกให้คนเชื่อไม่มีใครทำลายพระพุทธศาสนาได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์บริสุทธิ์หมดจดไม่มีใครจะมาทำให้แปดเปื่อนได้ในอนาคตจะมีนักปวดพวกหนึง่ง ที่พยายามจะตั้งตนเป็นาศาสดาแข่งกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพวกมิจฉาทิฏฐิยอมตนเป็นสาวกพวกเขาต้องการจะครองโลกเพราะอำนาจของโลภะและอวิชาชาทักนำไปแต่ในที่สุดเขาก็ไปไม่รอดเมื่อกรรมของเขาปรากฏเขาก็จะทุกทนหม่นไหม ร้อนรนกระวนกระวายจนหาความสุขไม่ได้เลยนี่เป็นวิบากของกรรมในชาตินี้แล้วชาติหน้าเขาจะเป็นอย่างไรครับผมหมายถึงว่าเมื่อลาลับดับชีพแล้วเขาจะต้องไปชดใช้กรรมอีกหรือไม่กรรมที่ทำกับพระศาสนารุ่นแรงพอๆกับ อนันตาริยกรรมเทีวนะเพราะฉะนั้นผู้กระทำจะต้องได้รับกรรมทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและชาติต่อๆไปจนกว่าจะชดใช้กรรมหมดแสดงว่ากรรมนั้นเป็นทั้งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมอุปัชเวทนียกรรมและอปาราปริยเวทนียกรรม เลยหรือครับแล้วโอกาสที่จะเป็นอโหสิ ก, กรรมมีไหมครับมีแต่โอกาสที่ว่านั้นเป็นไปได้ยากมากกล่าวคือจะกลายเป็นอโหสิ ก, กรรมได้ในกรณีเดียวคือบุคคลผู้นั้นจะต้องเจริญอริยมรตมีองค์8กระทั่งบรรลุพระนิพพานกรรมนั้น จึงจะกลายเป็นอโอหสิกรกมถ้าเช่นนั้นก็แทบไม่มีโอกาสเลยนะสิครับเพราะการที่คนมิจฉาทิฏฐิจะมาเจริญอริยมรกมีองค์แปดนั้นเป็นเรื่องยากมากยากกว่าเข็นครกขึ้นเขายากกว่างมเข็มในมหาสมุทรหลายร้อยเท่าผมว่าคนที่ทำกรรมหนักถึงปานนี้ ไม่น่าจะบรรลุพระนิพพานได้นะครับนักกว่านี้ก็ยังมีนะแล้วเขาก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุพระนิพพานได้ในอนาคตอย่าลืมว่าคนเราไม่ได้ทำกรรมดีอย่างเดียวหรือกรรมชั่วอย่างเดียวแต่จะทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างปะปนกันไปอย่างพระเทวทัต ถึงท่านจะทำอนันตาริยกรรมถึงสองอย่างคือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตหอกขึ้นรือยังสงให้แตกกันท่านจะต้องไปชดใช้กรรมในนรกอเวจีนานแสนนานถึงขณะนี้ท่านก็ยังอยู่ในอเวจีแต่เมื่อท่านพ้นกรรมจากนรกอเวจีแล้วท่านก็จะได้ตรัสรู้ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือท่านไม่ได้บรรลุพระนิพพานอย่างเดียวแต่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอีกด้วยเพราะอานิสง์ที่ได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาตอนถูกธรณีสุบลงไปถึงคอท่านเกิดสำนึกบาปได้จึงกล่าวคําบูชาพระพุทธเจ้าและขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา จากนั้นธรณีก็สู่ท่านจมหายไปแต่ข้อเรียกร้องของท่านที่เรียกว่าวัตถุห้าประการนั้นยังมีอิทธิพลต่อบรรพชิตและครูหัดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องการเกิดอาหารมังสวิรัตนั้นมีคนนำมาปฏิบัติกันมาก เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมาเธอจำได้หรือเปล่าวัตถุห้าประการที่พระเทวทัตทูลขอจากพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างคราวนี้อาจารย์ต้องการทดสอบความรู้ของสิทธ์จำได้ครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ด แต่หน้าที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วครับตอนผมเป็นเด็กผมชอบเกโรงเรียนเลยเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ความจำดีมากถูกครูด่าอย่างไรผมจำได้หมดอย่างเช่นเวลาที่ครูสอนผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่ครูกำลังสอนอยู่ในหนังสือหน้าไหนเลยถามขึ้นว่าอยู่หน้าอะไรครับครูตอบทันทีว่าหน้าโง่ ตั้งแต่นั้นผมไม่ถามอีกเลยแล้วก็ไม่เรียนด้วยและจำมาจนบัดนี้ไหนบอกมาสิว่าวัตถุห้าประกาศมีอะไรบ้างอาจารย์ถามอีกสิทธ์จริต่อบเป็นงานเป็นการว่าข้อหนึ่งภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดทีวิต รูปใดอาศัยบ้านอยู่รูปนั้นพึงต้องโทษข้อสองภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวถือบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใดยินดีกิจนิมนรูปนั้นพึงต้องโทษข้อสามภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุ ก, กุลเป็นวัดตลอดชีวิตรูปใด ยินดีขะบดีจีวอนรูปนั้นพึงต้องโทษข้อ4ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดทีวิตรูปใดเข้าอาศัยที่มุงบังรูปนั้นพึงต้องโทษข้อหภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดทีวิตรูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงต้องโทษนี่คือวัตถุหประการครับแล้วพระพุทธองค์ทรงอนุญาตหรือไม่อาจารย์ถามอีกสิทธ์ก็ตอบเป็นงานเป็นการอีกว่าครั้นพระเทวทัตทูลขอวัตถุห้าประการดังกล่าวนี้แล้วพระผู้มีพระภาคไม่ทรงกล่าวอนุญาตขณะเดียวกัน ก็ไม่ทรงกล่าวห้ามพระองค์เพียงรับสั่งกับพระเทวทัตว่าขอให้เป็นไปตามความปรารถนาของภิกษุกล่าวคือรูปใดปรารถนาจะถือการอยู่ป่าเป็นวัดก็ทำได้หรือรูปใดปรารถนาอยู่ในบ้านก็ไม่ถือว่ามีโทษข้อสองข้อสก็ทำนองเดียวกัน ส่วนข้อ4พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์อนุญาตโคนไม้เป็นเสนาสนะ8ดเดือนและข้อสุดท้ายพระองค์อนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์โดยส่วนสคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอย่างนี้แต่พระเทวทัตคิดว่าพระพุทธองค์ ไม่ทรงอนุญาตวัตถุ5ประการที่ตนขอจึงไปประกาศแก่เหล่าภิกษุว่าพวกตนทูลขอวัตถุ5ประการแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตและแม้ว่าพระองค์ไม่ทรงอนุญาตพวกตนก็จะสมท า, านประพฤติตามวัตถุ5ประการนี้เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้มักน้อย เมื่อพระเทวทัตประกาศเช่นนี้ประชาชนทั้งหลายมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างประชาชนทั้งหลายก็แบ่งออกเป็นสองพวกครับคือพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสเพราะไร้ปัญญาก็พากันพูดว่าพวกพระเทวทัตเป็นผู้มักน้อยส่วนพระสมณะโคดมเป็นผู้มกักมาก แต่พวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสซึ่งเป็นพวกฉลาดมีปัญญาต่างพากันเพ่งโทษพระเทวทัตว่าเป็นผู้ทำลายสงจึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระเทวทัตพยายามทำลายสง์พระพุทธองค์ตรัสถามพระเทวทัตว่าจริงหรือไม่พระเทวทัตทูลตอบว่าจริงพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาคุณทรงห้ามไม่ให้พระเทวทัตกระทำเช่นนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่าเลยเทวทัตเธ อ, อยาชอบใจการทําลายสงเพราะการทําลายสงมีโทษหนักนักผู้ใดทําลายสงผู้พร้อมเพียงกันย่อมประสบโทษตั้งกับย่อมไม่ในนรกตลอดกับ แต่พระเทวทัตดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังพระพุทธองค์จึงต้องลงเอเวจีแต่ก็ยังดีนะครับที่ท่านยังมีโอกาสจะได้เป็นพระปัจเจเวคพุทธเจ้าในอนาคตเออหลวงพ่อไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างหรือครับที่เดินไปพูดไปอย่างนี้ เธอเหนื่อยแล้วใช่ไหมละ่ะอาจารย์ถามอย่างรู้ทันครับแต่ก็พอทนหลวงพ่อล่ะครับรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมครับเราพ้นจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามานานหนักหนาแล้วคือคำตอบของภิกษุรัตรัญญาอค์นั้น